คู่มือชีวิตหมวดที่9สมาธิภาวนาจากหนังสือสมาธิแบบพุทธสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ป อ, อประยุตโตจัดทาโดยครอบครัวแก้วนพกุลครอบครัวรัตนครครอบครัวบุบลิสและครอบครัวสระสืบคุณสิ่งที่ต้องการในพระพุทธศาสนาคือการมีสมาธิ ที่ทำให้จิตพร้อมที่จะใช้งานและงานสาคัญที่ต้องการใช้คือปัญญาที่จะรู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายจนกระทั่งเข้าถึงความจริงของธรรมชาติรู้เข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรรู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงเรื่องสมาธิแบบพุทธจากปักถาแสดงที่วัดธรรมาราม อขอเจริญพรท่านกงสุลใหญ่ประเทศไทยประจํานครชิคาโก้คุณนาย ญ, ญาติโยมวัธ ร, รมมารามชาวชิคาโก้และเมืองใกล้ทุกท่านปัจจุบันนี้ในเมืองฝรั่งเช่นประเทศอเมริกานี่เองคนสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นอย่างที่อาตมาได้ทราบด้วยตนเองก็ดีหรือได้สะดับตรับฟังจากการที่มาพบปากกับพระสงฆ์และญาติโยมที่นี่ก็ดี หรือแม้กระทั่งญาติโยมที่เป็นฝรั่งเขาพูดกันว่าคนเมืองนี้ศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนากันมากขึ้นจุดสนใจอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิเนี่ยฝรั่งก็สนใจมานานแล้วในเมื่อฝรั่งสนใจพระพุทธศาสนาและสนใจเรื่องสมาธิเราในฐานะชาวพุทธที่ใกล้ศูนย์กลางใกล้คาสอนใกล้สถาบันพระศาสนา ใกล้วัดวาอารามใกล้พระสงฆ์มากเนี่ยก็น่าจะมีความรู้เป็นหลักแก่เขาได้อย่างน้อยก็รู้ทันความเป็นไปแล้วรู้เข้าใจสิ่งที่เขาสนใจเผื่อมีอะไรเกี่ยวข้องก็จะได้แนะนำเข้าถูกถ้าเขาเข้าใจผิดก็อาจจะแก้ไขชี้แจงแนะนำไปหรือแม้แต่ช่วยให้ตัวเองเข้าใจให้ถูกต้องจึงคิดว่าวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องสมาธินิดหน่อยเป็นการพูดในแง่หลักการทั่ ว, วไปกว้าง เมื่อพูดถึงคำว่าสมาธิถ้าจะถามถึงคำฝรั่งที่เรามักจะได้ยินเข้าใช้สำหรับสมาธิโยมมักจะนึกถึงคำว่า meditation ซึ่งใช้กันเกลื่อนแต่ความจริง meditation ไม่ใช่คำตรงแท้สำหรับสมาธิเพราะเป็นคำที่มีความหมายคลุมเครือเป็นคำภาษาอังกฤษที่มีมาแต่เก่าก่อนถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็คล้ายๆคาคว่าความคุ่นคิดพิจารณา ซึ่งก็ไม่ได้มีความชัดเจนว่ารุ่นคิดพิจารณาอย่างไรเมื่อคำว่าสมาธิของเราเข้ามาเขาไม่รู้จะใช้คำอะไรก็เอาคำว่า meditation ใช้ไปก่อนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถสื่อความหมายที่แท้จริงได้สมาธิในความหมายที่แท้ของเราฝรั่งเขาไม่มีการปฏิบัติกัน อัตอมาเคยคุยกับโปรเฟสเซอร์อเมริกันที่สอนพุทธศาสนาในประเทศอเมริกาท่านหนึ่งท่านบอกว่าในประเทศนี้หรือในเมืองฝรั่งเนี่ยไม่มีสมาธิในความหมายที่ฝึกกันในพระพุทธศาสนาถ้าจะหาการปฏิบัติอย่างใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะดูได้จากศาสนาคริสต์นิกายของพวกเคลกเกิลสพวกเคลกเกิลสมาประชุมกันแต่เขาไม่ได้มีการสวดอ้อนวอนเพื่อทําพิธีกรรมอะไรแบบของนิกายอื่น แม้แต่รวงประชุมของเขาเขาก็ไม่เรียกว่าเชิญด้วยซ้ำเขามันนั่งสงบนิ่งใครมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาในระหว่างที่กําลังนั่งสงบกันอยู่ก็ให้คนนั้นลุกขึ้นมาพูดถึงความคิดของตนเองที่ผุดขึ้นนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเมดิเทชันของเขาโศาสตรเซอร์ท่านนั้นบอกว่าถ้าจะเรียกสมาธิของฝรั่งที่ใกล้เข้ามาก็มีอย่างนี้ซึ่งถ้าเทียบกับพุทธศาสนาแล้วยังไม่ใช่เลย เพราะฉะนั้นต่อมาฝรั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษเมื่อมาศึกษาพระพุทธศาสนารู้เข้าใจหลักธรรมดีขึ้นก็คือวงการชาวพุทธเองที่ใช้ภาษาอังกฤษจึงได้ตกลงกันว่าสำหรับคำว่าสมาธินี้ซึ่งเป็นข้อธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาศัพท์ที่ใช้ตรงมากกว่าคำว่า meditation ก็คือคาว่า concentration ตกลงให้ใช้คานี้เป็นคาแปลสาหรับคาว่าสมาธิ สำหรับคำว่า meditation นั้นก็ได้มีความโน้มเอียงอย่างหนึ่งว่าให้ถือเป็นการใช้แบบกว้างๆแล้วก็เลยเอามาใช้กับคำว่าภาวนาจะเห็นว่าคำว่า meditation เดี๋ยวนี้มักจะใช้สำหรับคำว่าภาวนาซึ่งก็ไม่ได้ตรงทีเดียวเพราะคำว่าภาวนานั้นแปลว่าการเจริญหรือการทำให้เพิ่มพูนขึ้นมาหรือแปลให้ตรงสรว่าทาให้มีให้เป็น หมายความว่าสภาพจิต ท, ที่ดีเช่นคุณธรรมยังไม่มีในจิตใจของเราก็ทำให้เป็นให้มีขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าภาวนาเช่นศรัทธายังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นมาเมตตายังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นมาอะไรต่างๆเหล่านี้แม้แต่สมาธิยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นมาก็เรียกว่าภาวนานอกจากทำให้มีให้เป็นแล้ว ก็ทำให้เพิ่มพูนขึ้นไปด้วยในภาษาไทยเราแปลภาวนาว่าเจริญเช่นเจริญเมตตาเรียกว่าเมตตาภาวนาเจริญสมาธิก็เรียกว่าสมาธิภาวนาเจริญวิปัสสนาก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเจริญปัญญาก็เรียกว่าปัญญาภาวนาเมื่อคําว่าภาวนาแปลว่าเจริญ ฝรั่งจะแปลให้ตรงแท้ก็แปลแว่า Development การใช้ศัพท์เหล่านี้ถือว่ายังไม่ลงตัวแน่นอนภาวนาหรือการเจริญนั้นถ้าพูดถึงในทางจิตใจและทางปัญญารวมแล้วก็มีสองด้านสำคัญที่เรารู้กันซึ่งบางทีเราเรียกว่ากรรมฐานการเจริญกรรมฐานก็มีสายสมถะคือทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเรียกว่าสมถะภาวนา และอีกด้านหนึ่งคือวิปัสนาเรียกว่าวิปัสนาภาวนาได้แก่เจริญปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้แจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลายให้รู้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามเหตุปัจจัยการรู้ความจริงนี้เรียกว่าวิปัสนาจึงมีภาวนาใหญ่ ที่เป็นหลักอยู่สองอย่างคือเจริญสมถะทำจิตใจให้สงบมุ่งให้เกิดสมาธิเรียกว่าสมถภาวนาและเจริญวิปัสสนาทำปัญญาความรู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งโลกและชีวิตให้เกิดขึ้นเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาบางทีเอาคำ meditation มาใช้แทนภาวนา ก็เลยมีเมดิเทชันสองแบบสำหรับสมถภ า, ภาวนาก็ใช้ว่า tranquility meditation ถ้าให้ตรงก็เป็น tranquility development หมายถึงการทำให้ความสงบเกิดขึ้นมุ่งที่ตัวสมาธิ tranquility คือความสงบบางทีก็ใช้คำว่า calm ซึ่งก็คือความสงบหมายถึงสมถะส่วนอีกด้านหนึ่งคือวิปัสสนาภาวนา วิปัสสนาใช้คำว่า Insight ซึ่งแปลว่าการอย่างรู้อย่างเห็นเอา Meditation ต่อเข้าไปเป็น Insight Meditation แปลว่าวิปัสสนาภาวนาถ้าให้ตรงก็เป็น Insight Development แปลว่าการเจริญวิปัสสนาเมื่อเอาคำว่า Meditation มาใช้ในความหมายของภาวนาก็แบ่งเป็นสองอย่างนี้นี้เป็นตัวอย่างของการเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสับ ซึ่งต้องให้โยมทําใจไว้ก่อนว่ามันยังไม่ลงตัวอย่างที่ว่านี้ก็เป็นความนิยมอย่างหนึ่งเป็นอันให้รู้ว่าคําว่า Meditation เป็นศัพท์ที่ไม่ชัดเจนแล้วแต่เราจะตกลงกันว่าจะเอามาใช้อย่างไรตอนนี้มีความโน้มเอียงว่าให้เอาเมดิเทชันมาใช้กับภาวนาแบ่งเป็นสองอย่างเป็นเมดิเทชันสองแบบคือ t r a n นควี i t y Meditation เป็นการเจริญความสงบเรียกว่าสมถภาวนา กั บ, บ Insight Meditation การเจริญปัญญาที่ยังรู้ยังเห็นเรียกว่าวิปัสนาภาวนาส่วนตัวสมาธินั้นก็นิยมให้ใช้จากัดจำเพาะลงไปว่า Concentration ซึ่งจะมีความหมายชัดขึ้นเราจะศึกษาอะไรเราจะพิจารณาเรื่องอะไรจิตต้อง o n c e ซ t r a t e หมายความว่าต้องแน่วแน่ต้องมุ่งแน่วแน่ปักลงไปในสิ่งนั้นถ้าไม่ค n c e n t r a ร e ก็จะมองเห็นเข้าใจสิ่งนั้นได้ยากจะไม่ชัดเจนความหมายจึงใกล้เข้ามาการปฏิบัติสมาธิให้ถูกทางทีนี้มาดูสมาธิของเรา สมาธินั้นแปลง่ายๆว่าภาวะที่จิตตั้งมัน่นอุตส่าสนิกชนจำแม่นทีเดียวเช่นในองค์ของมรรคข้อสมาสมาธิเราแปลกันว่าจิตตั้งมั่นชอบจิตตั้งมัน่นหมายความว่าจิตเรียบสม่ำเสมอจับอยู่กับสิ่งใดก็มั่นคงอยู่กับสิ่งนั้นแล้วเดินเรียบไม่วอกแวกไม่ฟุง้งซ่านไม่กระสับกระส่ายไม่กระวนกระวาย จิตอยู่ตัวลงตัวแน่วแน่ถ้าจะพิจารณาคิดเรื่องอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวสิ่งอื่นเข้ามาแทรกมากวนไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าสมาธิถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านสมาธิก็คือการที่จิตของเราอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการแค่นี้ก็เป็นสมาธิแล้วแต่ทับลาตามภาษาแบบวิชาการก็จะบอกอย่างที่กล่าวมาว่า ความมีจิตตั้งมั่นคือจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวหมายความว่าจะคิดจะกำหนดจะจับอยู่กับเรื่องใดก็อยู่กับเรื่องนั้นไม่ฟุ้งซ่านหลุดลอยไปเรื่องอื่นถ้าใจอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาธิการที่จะให้เข้าใจเรื่องสมาธิดีนี้เราไม่ต้องพูดความหมายกันมากมายอันไปพูดในแง่คุณประโยชน์บ้าง เมื่อพูดถึงคุณประโยชน์ก็จะเห็นความหมายชัดขึ้นไปด้วยจิตที่เป็นสมาธินี้จะมีลักษณะสำคัญสามประการซึ่งเป็นประโยชน์ของมันด้วยเรามาดูว่าพระพุทธศาสนากล่าวถึงคุณลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิอย่างไรเอาที่เป็นข้อสำคัญสามประการ 1. จิตที่มีสมาธิจะเป็นจิตที่มีกำลังเรียกว่ามีพลังมาก 2. จิตสมาธิจะผ่องใสเหมือนน้ำที่ใสเพราะมันนิ่งสงบทำให้มองเห็นอะไรได้ชัดเจนข้อนี้เกื้อกูลต่อปัญญาข้อที่สสืบเนื่องมาจากข้อที่หนึ่งและสองคือพอจิตของเราสงบไม่มีอะไรกวนไม่มีอะไรวุ่นวายจิตของเราก็ไม่กระสับ ก, กระส่ายไม่วอกแวกไม่กระวนกระวายมันก็สงบ พอสงบไม่มีอะไรกวนก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นคนที่จิตเป็นสมาธิก็สงบเมื่อสงบก็มีความสุขซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าปรารถนาอีกประการหนึ่งนี้เป็นคุณสมบัติหลักๆที่สำคัญของจิตที่เป็นสมาธิสามประการถ้าดูจากนี้จะเห็นได้ว่าเวลานี้เราเอาสมาธิมาใช้ประโยชน์อะไรกันบ้างแล้วเราจะต้องดูว่าในสามอย่างนี้ อย่างไหนเป็นคุณสมบัติที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราใช้หนึ่งพลังจิตขอให้ดูพุทธพจน์ต่อไปนี้เปรียบเหมือนแม่น้ำที่เกิดบนภูเขาไหลลงเป็นสายยาวไกลมีกระแสเชี่ยวพัดพาสิ่งที่พอจะพัดพาเอาไปได้อาคนปิดปากเหมืองของแม่น้ำนั้นทั้งสองข้าง กระแสน้ำใน่าำกลางไม่กระจายไม่สายพร่าไม่เคว้คว้างไม่ไหลล้วมีกระแสเชี่ยวก็พัดพาสิ่งที่พอจะพัดพาเอาไปได้จากพระไตรปิฎกเล่มที่22ที่จริงพุทธพจน์นี้ก็ส่งมุ่งประโยชน์ด้านพลังจิตในแง่เสริมกำลังปัญญาแต่คนก็มักชอบเอาพลังจิตนั้นไปใช้ทางฤทธิเดชด้านพลังจิตแบบหลังนี้ไปไกล ในเมืองฝรั่งเวลานี้ก็ชอบกันมากถึงกับเอามาทดลองกันว่าจิตที่เป็นสมาธิมีพลังมากเพราะพุ่งดิ่งไปทางใดทางหนึ่งพอพุ่งไปแล้วก็มีกำลังแม้แต่จะทำให้วัตถุเคลื่อนไหวก็ได้หรือจะตั้งใจมองตั้งใจฟังดิ่งไปเฉพาะจุดก็ทำให้มองเห็นสิ่งไก ล, ไกลจนกระทั่งเกิดตาทิพย์หรือได้ยินเสียงไก ล, ไกลจนเกิดหูทิพย์ได้เหล่านี้เป็นเรื่องของพลังจิต แบบอิทธิริ์ปาติหารปรากฏว่าในเมืองฝรัง่งมีคนพวกหนึ่งฝักใฝ่กับเรื่องนี้มีการค้นคว้าทดลองกันอย่างเอาจริงเอาจังเป็นการสนใจในประโยชน์ของสมาธิด้านหนึ่งข้อที่สองความสุขสงบขอกลับข้อข้างบนเอาสามเป็นสองและเอาสองเป็นสาม มีพุทธพจน์แห่งหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทําให้มากแล้วจะเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นไนภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้ภิกษุหลอดจากกามหลอดจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌ า, านตติยฌ า, านจตุทตาฌานจากพระไตรปิฎกเล่มที่21 มองดูในสังคมฝรั่งก็ชอบข้อนี้มากเหมือนกันเพราะในสังคมฝรั่งมีปัญหาเรื่องจิตใจมากมีความกังวลมีความกระวนกระวายใจและมีความเครียดเนื่องจากการแข่งขันการแย่งชิงกันหาผลประโยชน์ระบบต่างๆทางสังคมมันบีบคั้นจิตใจคนทำให้จิตใจไม่สบายในที่สุดก็มีความทุกข์มากจึงปรากฏว่าฝรั่งทั้งหลายทั้งที่เจริญด้วยวัตถุมาก แต่จิตใจไม่สบายเมื่อมีทุกข์มากก็หาทางออกหาไปหามาพอมาเจอเรื่องสมาธิจากพระพุทธศาสนาจากศาสนาฮินดูจากโยคะเป็นต้นพูดสั้นๆว่าจากตะวันออกก็เห็นว่าสมาธิเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติที่ทำให้จิตใจสงบมีความสุขก็เลยชอบใจเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าฝรั่งหันมาหาสมาธิ เพราะจุดมุ่งหมายคือต้องการประโยชน์ในแง่ความสงบหรือความสุขกันมากคือเพื่อแก้ปัญหาด้านจิตใจนั่นเองข้อที่สจิตใจและขยายปัญญาคราวนี้มาดูพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำที่ใสแจวไม่ขุนมัวเลยคนตาดียืนอยู่บนฟังก็จะเห็นได้ แม้ซึ่งหอยโข่งหอยกาบแม้ซึ่งก้อนหินก้อนกรวดแม้ซึ่งฝูงปลาที่กําลังแหวกว่ายอยู่ก็ตามกําลังหยุดอยู่ก็ตามในห้วงน้ํานั้นนั่นเพราะเหตุไรก็เพราะน้ําไม่ขุนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นด้วยจิตที่ไม่ขุนมัวก็จะรู้ได้ซึ่งประโยชน์ตนจะรู้ได้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่นจะรู้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่าย จากประจักษ์แจ้งได้ซึ่งคุณวิเศษลามนุษยสามัญกล่าวคือยานทัศนะที่สามารถทำให้เป็นอริยชนจากประตายปิดกเล่มที่27คุณประโยชน์สำคัญของสมาธิคือการทำให้จิตใสช่วยให้มองเห็นสิ่งที่ต้องการได้ชัดเจนซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาสมาธิเป็นเรื่องของจิต คือทำจิตให้สงบแต่พอสงบแล้วจิตก็ใสก็เลยใช้ปัญญาได้ดีมองเห็นอะไรได้ชัดเจนหลายท่านจำพุทธพจน์แม่นว่าสมาหิตโตยถาภูตังประานานติแปลว่าผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วจะรู้ชัดตามที่มันเป็นคือมีสมาธิแล้วจะเกิดปัญญารู้จริงได้ความหมายว่า สมาธิเป็นฐานเป็นตัวเอื้อเป็นปัจจัยหรือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การใช้ปัญญาได้ผลดีข้อนี้เป็นคุณประโยชน์ที่บางทีถูกมองข้ามแต่กลับเป็นข้อสำคัญพราอเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายในพระพุทธศาสนาเมื่อได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นอย่างนี้แล้วก็มาพิจารณากันให้ละเอียดขึ้นอีกสักหน่อยเพื่อจะได้เห็นเหตุผลที่ชัดเจน หสมาธิเพื่อพลังจิตคนไทยก็สนใจเรื่องสมาธิในแง่พลังจิตกันมากเพราะชอบเรื่องฤทธิ์เรื่องปฏิหารถ้าสมาธิมีประโยชน์เพียงเพื่อพลังจิตให้มีฤทธิ์เก่งกล้าแล้วพุทธศาสนาไม่ต้องเกิดขึ้นเพราะในอินเดียเขามีความชำนาญอยเรื่องนี้กันมานานแล้วการปฏิบัติโยคะ ก็เกิดมีก่อนพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ก็ไปเข้าสํานักโยค่าด้วยไปหาอาจารย์สํานักต่างๆเช่นเสด็จไปที่อาลาระดาบทกลามโคดท่านที่เรียนพุทธประวัติคงจะเคยได้ยินพระพุทธเจ้าเสด็จไปเรียนการบําเพ็ญสมาธิจนกระทั่งจบขั้นที่เขาเรียกว่าฌานสมาบัต ท, ทั้งหมดฌานสมาบัตินี้มี8ขั้นเป็นรูปฌานสี่และอรูปฌานสี่ ท่านอารารรดาบทกาลามโคดได้สมาธิถึงอรูปฌานขั้นที่สามเรียกว่าอากินจัญญายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าเข้าไปปฏิบัติในสำนักของท่านเนี่ยก็ได้ฌานสมาบัติขั้นนี้ด้วยจบสมาบัติเจพระพุทธเจ้ามิทรงพอพระทยัยจึงเสด็จออกจากสำนักนี้แล้วไปยังสำนักของอุตะกาดาบทรามบุตรท่านนี้ได้ฌานสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครบสมาบัติ8 คือจบในว่าสงายนาสัญญายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็จบด้วยพระอาจารย์ก็นิมนต์ว่าท่านจบความรู้ของสำนักนี้ขอให้อยู่ช่วยสอนลูกศิษย์ต่อไปพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าเนี่ยยังไม่ใช่จุดหมายพระองค์จึงได้ขอลาออกไปสแสวงธรรมด้วยพระองค์เองพวกโยคีฤสีดาบทสมัยก่อนพุทธกาลมีฤทธิ์ทรงชาน ได้อิทธิปฏิหารกันเยอะแยะพระพุทธเจ้าไม่ทรงพอพระทยัยถ้าเราเอาแค่ริษแค่ฌานสมาบัติแล้วก็ไม่ต้องมีพระพุทธศาสนาเพราะเขาได้กันมามีอยู่ก่อนแล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพอพระทยัยจึงเสด็จต่อไปเรื่องนี้เป็นจุดที่ต้องระวังขอให้สังเกตว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์ไม่ทรงสันเสริญการใช้สมาธิในทางของฤทธเดชปาฏิหารโยมคงจำได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปาฏิหารมีสมอย่าง 1. อิทธิ ป, ปาฏิหารปาฏิหารคือการแสดงฤทธิได้ต่างๆมากมายเช่นเหาะเหินเดินอากาศเดินน้ำดำดิน 2. อเทศนาปาฏิหารปาฏิหารคือการทายใจได้ สามารถทายใจคนว่าเขาคิดอะไรคิดอย่างไรคิดจะทำอะไรหรือจิตใจมีสภาพเป็นอย่างไร 3. อนุสาสนีปาฏิหารปาฏิหารคือการสั่งสอนให้เกิดปัญญารู้ความจริงด้วยตัวของเขาเองปาฏิหารข้อที่สเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญส่วนปาฏิหารที่หนึ่งและสอง พระพุทธเจ้าถึงกับตรัสว่าทรงรังเกียจเพราะว่าปฏิหาริย์ที่หนึ่งและสองนั้นใครก็ทำได้เป็นเรื่องของคนนั้นคนอื่นก็ได้แต่ทึ่งเห็นว่าหน้ามหัศจรรย์แล้วก็มาหวังพึ่งเมื่อหวังพึ่งแล้วก็พึ่งตัวเองไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวแต่ปฏิหาริย์ข้อสสอนใหเขาเกิดปัญญาเป็นอัศจรรย์ พอเมื่อเขาเกิดปัญญาแล้วเขาก็เห็นด้วยตัวเองพระองค์เห็นความจริงอย่างไรเขาก็เห็นความจริงอย่างเดียวกันกับที่พระองค์เห็นพอเขาเกิดปัญญาเห็นเหมือนที่พระองค์เห็นเขาก็เป็นอิสระไม่ต้องขึ้นต่อพระองค์ต่อไปแต่ถ้าเป็นปฏิหารหนึ่งและสองเขาก็ต้องขึ้นต่อพระองค์ต้องหวังพึ่งพระองค์ตลอดต่อไป พระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนเป็นอิสระเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่สันเริญปาฏิหาริย์ที่หนึ่งและสองซึ่งใช้ได้เฉพาะเรื่องเฉพาะราวและต้องระวังในระยะยาวเพราะมันทำให้เกิดความประมาทถ้าผู้มีฤทธิ์เราเคารพนับถือเราก็ไปหวังพึ่งท่านอยากจะได้อะไรก็ต้องให้ท่านบันดาลตัวเราเองก็ไม่รู้จักเผชิญปัญหาไม่รู้จักแก้ปัญหาไม่รู้จักทาอะไรให้เป็น อยู่เท่าไหนก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่พัฒนาพระพุทธศาสนาไม่ต้องการให้คนเป็นอย่างนั้นจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยอดของผู้มีฤทธิ์แต่พระองค์สันเสริญอนุสาสนีปาฏิหารคือการสอนให้เกิดปัญญาข้อเดียวพระองค์เองนั้นทรงมีทั้งอิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหารด้วยมีครบหมดมีฤทธิ์มาก แต่ขอให้สังเกตดูตลอดพุทธประวัติ45ปีเคยมีปรากฏครั้งใดไหมที่พระพุทธเจ้าเอาฤทธิ์ของพระองค์บรรดาลผลที่ต้องการให้แก่ใครผู้ใดผู้หนึ่งนี่เป็นจุดสังเกตที่สำคัญหลายคนไม่เคยคิดพระพุทธเจ้าเป็นยอดของผู้มีฤทธิ์ไม่มีใครมีฤทธิ์เท่าพระองค์แต่พระองค์ไม่เคยใช้ฤทธิบ์บรรดาลผลที่ต้องการให้แก่ใครเลยตลอด45พรรษาทาไม พ ร, ระองค์ไม่ต้องการให้ใครมาขึ้นต่อพระองค์มาหวังพึ่งพระองค์ถ้าเขามาหวังพึ่งพระองค์ต่อไปเขาจะประมาทไม่คิดพึ่งตนเองไม่คิดพัฒนาตนเองไม่คิดแก้ปัญหาคนเราลองไม่สู้ปัญหาไม่ทำอะไรด้วยตนเองก็ไม่พัฒนาอยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นพวกเราเนี่ยชอบเรื่องริษต้องระวังให้มากอย่าให้ขัดหลักพุทธศาสนาเป็นอันขาด ถ้าจะชอบบ้างก็อย่าให้ผิดหลักพึ่งตนอย่าให้ผิดหลักฝึกฝนพัฒนาตนและต้องเพียรพยายามทำการต่างๆให้สำเร็จตามเหตุตามผลอันนี้เป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงพ้นจากลัทธิฤษีชีไพรไม่เฉพาะในสมัยโบราณที่เขานิยมเรื่องฤทธิปาฏิหาริโยคีฤษีดาบทในอินเดียจนกระทั่งปัจจุบันเดี๋ยวนี้ ก็ยังแข่งริษกันตามเดิมพระพุทธศาสนาไม่เอาด้วยบอกว่าถ้าขืนยุ่งกับริษอยู่อย่างเนี้ยคนก็ไม่พัฒนาพระพุทธเจ้าใช้ริษทาอะไรบ้างพระพุทธเจ้าทรงใช้ริษปราบริษเพราะสมัยนั้นเขาถือกันว่าเรื่องริษเนี่ยสําคัญเขาถือว่าถ้าใครไม่มีริษก็ไม่เป็นพระอระหันต์เขามีค่านิยมอย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่าริษ ไม่ใช่เป็นเครื่องหมายของความเป็นพระอรหันต์แต่พระองค์อยู่ท่ามกลางค่านิยมของสังคมที่มีความเชื่ออย่างนั้นพระองค์เป็นพระศาสดาเป็นผู้ประกาศพระศาสนาพระองค์ก็ต้องทำได้เพื่อจะได้ให้เขายอมรับเชื่อถือไว้ก่อนเพราะฉะนั้นพระองค์จะมีฤทธิ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกาศพระศาสนาให้เหนือกว่าพวกมีฤทธิ์กันเหล่านั้นเพราะพอไปเจอกันแล้วเขาทดลองฤทธิ์ถ้าพระองค์ไม่มีฤทธิ์ เขาก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อยกตัวอย่างเช่นพวกชดินเป็นที่นับถือของประชาชนพวกชดินเนี่ยถือตัวว่ามีฤทธิ์มากและถือว่าใครเป็นพระอรหันต้องมีฤทธิ์พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าทาไมไปปราบพวกนี้ก่อนประชาชนไม่ฟังพระองค์เพราะก็ถือว่าถึงอย่างไรก็สู้อาจารย์ชดินของเขาไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปหาชดินก่อน พอไปถึงชะดินก็ลองดีเอาฤตมาแกล้งหลายคืนพระพุทธเจ้าก็ผ่านทุกคืนจนกระทั่งในที่สุดชะดินยอมรับรู้ว่าสู้ไม่ได้พอชะดินสู้ไม่ได้ยอมรับเขาก็ยอมฟังก่อนนั้นเขาไม่ยอมฟังจะพูดอะไรเขาก็ว่าสู้เราไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้พอเขายอมรับในเรื่องฤตแล้วก็ยอมฟังพระองค์ก็เลิกใช้ฤตหันมาใช้อนุสาสนีปาฏิหาร คือสอนให้เกิดปัญญาให้เขารู้ความจริงเข้าถึงสัจธรรมพอไปเจอรายใหม่ถ้าเป็นพวกที่เมาริศพระองค์ก็ใช้ริศปราบใหม่พวกเขายอมรับพระองค์ก็เลิกใช้ริศแต่พระองค์ไม่ใช้ริศบรรดาลผลที่ต้องการให้แก่ผู้ใดทั้งสิน้นการใช้สมาธิเพื่อให้มีริศมีพลังปาฏิหาร นอกจากมันทําให้คนเสียนิสัยทําให้คนคอยหวังพึ่งแล้วสําหรับตัวเองฤทธิ์ทำให้หมดกิเลสไม่ได้ฤทธิ์ไม่สามารถกําจัดกิเลสได้ฤทธิ์ทำให้หมดทุกข์ไม่ได้การใช้สมาธิในแง่นี้ไม่เป็นหลักประกันอะไรอย่างดีจิตสงบแล้วกิเลสก็สงบไปชั่วคราวด้วยกําลังสมาธิท่านเรียกว่าวิขำพนะวิมุตต์แปล ว, ว่าหลุดพ้นด้วยข่มไว้ชั่วคราว แต่ถ้ามีอะไรมาล่อหรือกระทบอิเลส ก, ก็ฟูขึ้นได้อีกเพราะฉะนั้นจึงไม่มั่นคงมีพระเถระองค์หนึ่งเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานในยุคหลังพุท ธ, ธกาลตัวเองได้สมาธิชั้นสูงได้ชาญสมาบัติชนานาญมากและเพราะการที่บำเพ็ญสมาธิอยู่ตลอดเวลาจิตสงบอยู่เสมออิเลส ก, ก็ไม่มีโอกาสฟูขึ้นมา เลยหลงผิดคิดว่าตัวเองสำเร็จเป็นพระอระหันต์อาจารย์ที่ไม่สำเร็จอรหรันสามารถสอนลูกศิษย์ให้เป็นอรหันต์ได้เพราะการเป็นอรหันต์ขึ้นต่อตัวของคนนั่นเองลูกศิษย์บางท่านได้มารู้หลักจากท่านแล้วไปปฏิบัติด้วยตนเองได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์รู้ว่าพระอาจารย์ยังไม่สำเร็จก็จะเตือนแต่ถ้าจะไปบอกตรงๆท่านถือตัวเป็นอาจารย์ก็จะไม่ดี ี่เลสขึ้นมาเกิดแรงต้านจะเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติลูกศิษย์ก็เลยใช้อุบายวิธีทำให้เกิดนิมิตเป็นรูปช้างวันหนึ่งขณะนั่งอยู่เพลินๆก็ทำให้เห็นเป็นช้างวิ่งเข้ามาพระอาจารย์ตกใจตั้งสติไม่ทันลุกขึ้นจะกระโจนหนีลูกศิษย์ซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ก็จับชายจีวรดึงกระตุกไว้พระอาจารย์ก็ได้สติ ที่พระอาจารย์ได้สติก็เพราะท่านเจริญธรรมปฏิบัติมานานเรียกว่าสติไม่ทันนิดเดียวพอลูกศิษย์กระตุกปุ๊บ ก, ก็ได้สติรู้ตัวว่าเราเนี่ยยังไม่สาเร็จเพราะพระอาหารหันต์ไม่ตกใจคือไม่มีกิเลส ท, ที่จะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวคนที่จะเกิดความกลัวก็เพราะมีโลภโทสะโมหะยังมีตัณหาอยู่ถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มีความกลัว ท่านรู้หลักการอันนี้อยู่ท่านก็รู้ว่ากิเลส ข, ของท่านยังไม่หมดก็เลยหันมาบอกให้ลูกศิษย์เป็นที่พึ่งช่วยเป็นหลักให้แล้วปฏิบัติต่อพระอาจารย์ก็สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ด้วยที่อาตมาพูดเนี่ยต้องการให้เข้าใจว่าการมีฤทธิ์การได้ฌานสมาบัติหรือการใช้สมาธิฝ่ายพลังจิตไม่ได้ช่วยให้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ ไม่หมดกิเลสไม่หมดความทุกข์จะสามารถทำให้จิตสงบแล้วเหมือนกับหมดกิเลสไปได้ชั่วคราวเป็นสิ่งที่ดีมากมีประโยชน์แต่บางท่านเพราะเหตุที่ได้สมาธิระดับต่างๆแล้วกิเลสยังไม่หมดเกิดความลำพองใจตัวเองกลับไปหนุนมานะขึ้นมาเหลือยิงหนักเข้าไปอีกคราวนี้กิเลสกลับฟูเพราะคนเราเนี่ยถ้าไม่มีกาลังไม่มีอานาจ กิเลสถึงมีอยู่ก็จะไม่มีกําลังแต่พอ ร, รู้ว่าเรามีอํานาจมีพลังมากก็จะรู้สึกคึกๆึกเฮิมใจคนที่มีฤทธิ์ก็เช่นเดียวกันถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็เกิดความคึกเฮิมใจเลยทําการร้ายได้ยิ่งใหญ่ยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตได้ฌานสมาบัติได้อภิญญาที่เป็นโลกีมีฤทธิ์มากแต่เพราะยังไม่หมดกิเลสเลยเกิดเป็นลําพองใจในฤทธิ์ของตัวเอง และไปนึกถึงการมีอำนาจการที่จะได้ลาบสการะอะไรใหญ่โตก็เลยเอาฤทธิ์เข้ามาหนุนการอยากได้อำนาจและลาบสการะนั้นเลยไปกันใหญ่พระเทวทัตก็เสียไปเลยจะเห็นว่าการใช้สมาธิเพื่อวัตถุประสงค์ด้านฤทธิเดชปฏิหานี้อาจจะกลายเป็นเครื่องกิดขวางกางกั้นตัวเองไม่ให้ก้าวหน้าต่อไปในการที่จะบรรลุธรรมก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องระวังโดยไม่ประมาท 2. ส, สมาธิเพื่อความสุขสงบก่อนถึงประโยชน์ข้อสำคัญคือจิตใสขอพูดถึงการใช้สมาธิ ในแง่ความสงบและความสุขการใช้สมาธิเพื่อความสงบสุขก็มีประโยชน์มากนอกจากเป็นเครื่องพักผ่อนอย่างดียิ่งแล้วยังใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งหลายในทางจิตเช่นความเครียดความฟุ้งซ่านความสับสนว้าวุ่นกระวนกระวายความเหงาความว้าเหวเป็นต้นทําให้จิตใจสบายมีความสุขอย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากสมาธิเพียงเท่านี้ ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่ายังไม่เพียงพอยังไปไม่ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาเป็นเพียงการใช้สมาธิแก้ปัญหาจิตใจหรือแก้ความทุกข์ในระดับหนึ่งนอกจากนั้นยังอาจจะกลายเป็นโทษได้จะต้องใช้ด้วยปัญญาเพราะถ้าไม่ระวังให้ดีสมาธิที่ใช้เพื่อประโยชน์ข้อนี้อาจจะกลายเป็นสิ่งกล่อมหรือยากล่อมชนิดหนึ่งซึ่งทาให้เกิดความประมาท นำไปสู่ความเสื่อมเสียหายและกลายเป็นเครื่องขัดขวางการบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนามีบุคคลอยู่ระดับเดียวที่ใช้สมาธิในแง่ของความสุขสงบได้อย่างปลอดภัยเต็มที่โดยจะไม่มีทางกลายเป็นสิ่งกล่อมคือพระอระหันต์เพราะท่านบรรลุจุดหมายของพระศาสนาแล้วท่านไม่มีกิจที่จะต้องทาเพื่อกาวสู่จุดหมายนั่นอีก และท่านพ้นไปล้จากการที่จะมีความประมาทท่านจึงใช้สมาธิเป็นเครื่องพักผ่อนระหว่างทำงานเผยแผ่ธรรมเป็นต้นเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารสำหรับคนทั่วไปก็ทำตามอย่างท่านได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ตามท่านจริงๆไม่ใช่เกินเลยไปจนกลายเป็นสิ่งกล่อมสิ่งกล่อมมีความหมายอย่างไร กล่อมก็หมายความว่าทำให้สบายใจทำให้เพลินคล้ายกับยากล่อมประสาทประสาทเราไม่สบายเราตื่นเต้นเรากระวนกระวายเราเครียดเรานอนไม่หลับเราก็เอายานอนหลับมากินพอกินยานอนหลับเข้าไปก็สบายนอนหลับได้ก็ดีเหมือนกันแต่สิ่งกล่อมนั้นมีขอบเขตและมีโทษด้วยถ้าขืนกล่อมอยู่อย่างนั้นตลอดไปก็ไม่ดีแน่ ควรกล่อมได้ชั่วคราวคือกล่อมพอให้หายอาการนั้นเช่นหายจากความกระวนกระวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนนอนไม่หลับพอหายแล้วก็หยุดแต่อย่าอยู่ด้วยยานอนหลับตลอดชีวิตไม่ดีแน่ฉันใดก็ฉันนั้นสิ่งกล่อมของมนุษย์มีมากยิ่งมนุษย์ที่มุ่งหาความสุขจากสิ่งเสพทางวัตถุต่อไปจะมีปัญหามาก วัตถุนั้นให้ความสุขได้ระดับหนึ่งเมื่อได้ความสุขแล้วบางทีก็เกิดความเบื่อหน่ายหรือคนอีกพวกหนึ่งวิ่งหาความสุขจากวัตถุเรื่อยไปแต่ไม่สมใจไม่ถึงจุดหมายสักทีก็วิ่งไล่ความสุขอยู่นั้นชีวิตที่เร่งรัดแข่งขันหาผลประโยชน์หาความสุขจากวัตถุทําให้เกิดสภาพจิตที่เครียดกระวนกระวายฟุง้งซ่าน กังวลถึงผลประโยชน์หรือลาบที่ยังไม่ได้และหวาดกลัวหวั่นใจในสิ่งที่ได้มาแล้วว่าจะหลุดหายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความสุขจากวัตถุเสพนี้จึงรบกวนจิตใจตลอดเวลาด้วยประการต่างๆจนกระทั่งในขั้นสุดท้ายก็คือว่าคนที่มุ่งหวังความสุขจากการเสพวัตถุนี้จะเอาความสุขไปฝากไว้กับวัตถุอย่างเดียว แตวัตถุมันมีเวลาที่สุขมีเวลาที่เบื่อหน่ายพอเราเอาความหวังนี้ความสุขไปฝากไว้กับวัตถุอย่างเดียวต่อไปชีวิตจะมีความหมายด้วยวัตถุสิ่งเสพเท่านั้นพอเบื่อหน่ายวัตถุก็เบื่อหน่ายชีวิตด้วยพอผิดหวังวัตถุก็ผิดหวังชีวิตด้วยพอวัตถุหมดความหมายชีวิตก็หมดความหมายด้วย นี่คือปัญหาในสังคมที่เจริญแล้วที่มากไปด้วยวัตถุสิ่งเสพบริโภควัตถุสิ่งเสพบริโภคเหล่านั้นไม่ได้เป็นหลักประกันของความสุขมนุษย์ที่อยู่ในสังคมที่เจริญมีสิ่งบริโภคมากมายพรั่งพร้อมกลับปรากฏว่าฆ่าตัวตายกันมากคนในสังคมที่ยากจนกลับไม่ค่อยฆ่าตัวตาย สังคมอเมริกันเดี๋ยวนี้ก็คงจะทราบกันอยู่แล้วว่าคนฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้นคือคนหนุ่มสาววัยรุ่นสถิติของ USA Today บอกว่าในช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมานี้เด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวอเมริกันอายุ 15-19 ปีฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 300% เเซนี่เป็นสถิติของสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติของอเมริกันเป็นที่งงงานกันไปเลยว่าทาไมหนุ่มสาววัยรุ่นฆ่าตัวตาย ในขณะที่สังคมมั่งคั่งพรั่งพร้อมคนเหมือนมั่งมีสีสุขจะเอาอะไรก็เอาได้หนุ่มสาวก็อยู่ในวัยที่กำลังสดใสมีกำลังวังชาที่จะหาความสุขฉะไหนจึงมาฆ่าตัวตายหนีความสุขไปสังคมที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมไม่เป็นหลักประกันในเรื่องที่จะมีความสุขในสังคมแบบเนี้ย คนมักไปฝากความสุขไว้กับการเสพวัตถุต่อมาพอเบื่อหน่ายวัตถุก็เบื่อหน่ายชีวิตด้วยผิดหวังวัตถุก็ผิดหวังชีวิตด้วยวัตถุหมดความหมายชีวิตก็หมดความหมายด้วยอันนี้เป็นอันตรายที่สาคัญของสังคมและอริยธรรมปัจจุบันมนุษย์สมัยก่อนฝากความสุขไว้กับวัตถุเสพน้อยเพราะคนสมัยก่อนไม่ค่อยมีวัตถุบริโภคมาก ความสุขของเขาอยู่ที่แหล่งอื่นแหล่งความสุขของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งเสพอย่างเดียวความสุขของเขาขึ้นกับวัตถุเสพน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาผิดหวังจากสิ่งเหล่านี้เขาก็ไม่ค่าตัวตายมนุษย์เรานี้มีช่องทางของความสุขมากมายหลายอย่างแต่มนุษย์ปัจจุบันเนี่ยทำการพัฒนาด้วยมุ่งความเจริญพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจหรือทางวัตถุ จนกระทั่งเป็นบริโภคนิยมเห็นแก่การบริโภคความสุขก็เลยมาอยู่ที่การบริโภคอยู่ที่สิ่งเสพเพราะฉะนั้นก็เอาความหมายของชีวิตไปรวมเป็นอันเดียวกันกับวัตถุเสพอย่างที่กล่าวมาว่าเมื่อไรผิดหวังวัตถุเสพก็ผิดหวังชีวิตด้วยเมื่อไรวัตถุเสพหมดความหมายชีวิตก็หมดความหมายด้วย นี่คือสภาพสังคมอเมริกันเป็นต้นในปัจจุบันที่กำลังจะเป็นมากขึ้นเป็นพิษเป็นภัยของอริยธรรมที่เดินมาในทางที่ผิดพลาดขอหันกลับมาพูดเรื่องการใช้สมาธิเป็นสิ่งกล่อมในสังคมที่มีปัญหาจิตใจมากคนต้องการความสุขจากวัตถุเสพคนอยากได้แต่ไม่ได้อย่างใจบ้าง หรือได้แล้วแต่ไม่สุขสมหวังบ้างอยากมีวัตถุหวังว่าจะมีความสุขแต่พอได้จริงอาจได้มีความสุขอย่างนั้นไม่ทํายังไงชีวิตนี้จึงจะมีความหมายบางคนก็เบื่อชีวิตไปเลยอาจจะฆ่าตัวตายถ้าไม่เอาอย่างนั้นก็หันไปหาสิ่งกล่อมเพราะฉะนั้นทางออกสําคัญสำหรับคนเหล่านี้ที่ไม่ได้ความสุขสมหมายก็คือสิ่งกล่อม เริ่มด้วยยาเสพติดสังคมแบบนี้ก็มียาเสพติดเป็นที่พึ่งยาเสพติดเป็นทางออกช่วยให้มีความสุขในสังคมแบบนี้ก็จะปรากฏว่ามีสิ่งเสพติดเกลื่อนกลาดไปหมดตอนนี้สิ่งเสพติดก็เข้าไปเมืองไทยด้วยแม้แต่ในโรงเรียนยาบ้าก็กำลังระบาดพอถึงวันเหมา ะ, มาะก็ต้องตรวจปัสสาวะนักเรียนทุกคนว่าคนไหนติดยาบ้าบ้างเวลานี้ปัญหาเมืองไทยกาลังหนัก เยาวชนของเราก็จะแย่สังคมปัจจุบันมุ่งหวังความสุขจากสิ่งเสพความสุขของเขาอยู่ที่สิ่งเสพเมื่อไม่ได้ความสุขจากสิ่งเสพก็หาสิ่งกล่อมมาแทนคือยาเสพติดสิ่งกล่อมที่มีในสังคมมานานแล้วที่เป็นสิ่งเสพติดเก่าก็คือสุราถ้าไม่สุราก็การพนันถ้าไม่การพนันก็สิ่งกล่อมที่ประณี่ขึ้นมาคือดนตรี สิ่งบันเทิงกีฬาซึ่งมีทั้งคุณทั้งโทษบางอย่างก็ใช้ในทางเป็นประโยชน์ได้บ้างเช่นดนตรีสิ่งบันเทิงกีฬาพวกเนี้ใช้เป็นประโยชน์ได้ด้วยแต่ถ้าใช้เป็นสิ่งกล่อมไปติดเพลินเมื่อไรก็มีโทษทันทีสิ่งกล่อมที่ประณีตขึ้นมาทางจิตคือสมาธิซึ่งช่วยให้ไม่ต้องหันไปพึ่งสิ่งเสพติดไม่ต้องหันไปพึ่งดนตรี มีปัญหาเครียดมีความทุกข์ใจกระวนกระวายกลุ่มใจเข้าสมาธิก็สงบสบายหนีจากสิ่งเดือดร้อนกลุ่มใจไปได้เพราะสมาธิเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสุขสงบแต่ถ้าใช้ความหมายนี้ใช้ไปใช้มาถ้าไม่ระวังสมาธิก็กลายเป็นสิ่งกล่อมนั่นเองสิ่งกล่อมเป็นอย่างไรก็ทำให้เราหายจากความเครียดความทุกข์ ความเดือดร้อนใจมีความสุขหลบปัญหาได้หนีปัญหาได้พ้นไปจากทุกชั่วคราวแต่ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้แก้อิเลสในใจส่วนลึกก็ยังมีอยู่และปัญหาภายนอกปัญหาในครอบครัวปัญหาในสังคมก็ไม่ได้แก้เวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาไม่สบายใจก็มานั่งสมาธิหลบไปทีหนึ่งก็กล่อมไปได้ทีหนึ่ง แต่ปัญหาไม่ได้แก้ถ้าอย่างนี้ก็ลำบากสะสมปัญหาในสังคมฝรั่งคนไม่น้อยเลยที่หันมาสนใจสมาธิในฐานะเป็นสิ่งกล่อมเพราะฉะนั้นเราอย่ามาจมอยู่แค่นั้นถ้าขืนจมอยู่ในแง่เป็นสิ่งกล่อมก็จะผิดผิดอย่างไรผิดหลักการสำคัญสองประการหนึ่ง ตกอยู่ในความประมาทพอกล่อมแล้วสบายใจหลบปัญหาได้หลบทุกข์ได้ชั่วคราวก็กลายเป็นคนหนีปัญหาปัญหาที่แท้จริงไม่แก้เมื่อหลบปัญหาก็เกิดความประมาทมูวแต่นั่งสบายไม่ต้องทาอะไรสิ่งที่จะต้องทำก็ไม่ทําปัญหาที่ควรจะแก้ก็ไม่แก้ความเพียรพยายามที่จะกระทาการก็หยุดเกิดความประมาท อันนี้ผิดหลักสำคัญของพระพุทธศาสนา 2. ขัดกับตรายสิกขาแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือตามหลักพระพุทธศาสนาธรรมะทั้งหมดอยู่ในระบบของหลักการใหญ่ที่เรียกว่าสิกขาสาสิกขาคือการฝึกฝนการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตน ทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายคือความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงตราดไดที่ยังไม่ถึงจุดหมายหยุดไม่ได้กระบวนการปฏิบัตินี้เรียกว่าไตรสิกขาสมาธิเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนการของไตรสิกขานี้เพราะฉะนั้นสมาธิจะต้องเป็นเครื่องช่วยให้เราก้าวต่อสู่ธรรมะที่สูงขึ้นไปไม่ใช่กล่อมให้หยุดให้เพลินจมอยู่กับที่ สมสมาธิเพื่อจิตใสและขยายปัญญาไตรสิกขาเป็นระบบที่รวมองค์ธรรมต่างๆมากมายเข้ามาสัมพันธ์กันเพื่อจะเดินหน้าไปสู่จุดหมายดังนั้นองค์ธรรมทุกอย่างในไตรสิกขาซึ่งเป็นข้อย่อยๆนี้จะต้องสัมพันธ์กันในลักษณะที่ส่งผลต่อกันเป็นปัจัยส่งต่อแก่ข้ออื่นๆต่อไป ข้อธรรมะทั้งหลายในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแห่งตรายสิกขาซึ่งเป็นระบบสัมพันธ์แห่งองค์ธรรมที่เป็นปัจัยหนุนเนื่องต่อกันไปสู่จุดหมายเพราะฉะนั้นองค์ธรรมทุกข้อจะต้องมีความหมายในเชิงเป็นปัจัยหนุนเนื่องส่งต่อแก่ข้ออื่นถ้าปฏิบัติธรรมแล้วล่องลอยอยู่หรือทาให้อยู่กับที่แสดงว่าผิด อันนี้คือหลักใหญ่ที่ใช้วินิจฉัยเพราะธรรมะทุกข้อไม่พ้นตรายสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาไม่ว่าท่านจะเอาหลักธรรมข้อไหนมาจะเอาเมตตากรุณาสติสมาธิข้อไหนก็ตามทุกข้ออยู่ในตรายสิกขาหมดเมื่อมันอยู่ในตรายสิกขามันก็อยู่ในระบบมันก็อยู่ในกระบวนการคืบหน้า ที่ต้องเดินไปสู่จุดหมายเดียวกันทุกข้อจึงต้องส่งผลต่อกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งถ้าปฏิบัติธรรมข้อใดแล้วทำให้หยุดทำให้ล่องลอยไร้จุดหมายก็แสดงว่าผิดถ้าเราปฏิบัติสมาธิแล้วกลายเป็นเครื่องกล่อมทำให้เพลินสงบอยู่ก็หยุดแสดงว่ามันด้วนไม่ส่งผลต่อกระบวนการไตรสิกขา ไม่เดินหน้าก็ผิดถ้าปฏิบัติถูกต้องส่งผลในตรายสิกขาสมาธิเป็นปัจจัยแก่อะไรว่าโดยหลักใหญ่สมาธิเป็นปัจจัยแก่ปัญญาเพราะสมาธิทำให้จิตสงบใสและมีกำลังแต่ลักษณะที่จิตสงบก็ดีใสก็ดีมีกำลังก็ดีคือจิตพร้อมที่จะทำงาน ลักษณะสําสคัญของจิต ท, ที่เป็นสมาธิท่านเรียกว่าเป็นกรรมนิยังหรือกรรมณีนี่แหละเป็นตัวสําคัญที่พระพุทธเจ้าต้องการคือจิตเป็นสมาธิปุ๊บ ก, ก็เป็นกรรมนิยังทันทีกรรมนิยังหรือกรรมณีแปลวว่าเหมาะแก่การใช้งานจึงต้องเอาไปใช้อย่าไปหยุดอยู่ถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วหยุดสบาย ก็แสดงว่าพลาดแล้วพระพุทธเจ้าต้องการให้เอาจิตที่เป็นกรรมนีนี้ไปใช้งานไม่ใช่ให้มันนอนสวยสุขอยู่เฉยๆใช้งานอะไรไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาสมาธิเป็นองค์ที่สองส่งผลหนุนเนื่องให้เกิดปัญญาก็เอาไปใช้งานทางปัญญานี่คือประโยชน์ข้อที่สองที่บอกว่าเป็นคุณลักษณะของจิตที่สำคัญ คือทำให้จิตใสไม่มีอะไรมารบกวนให้ใช้งานในทางปัญญาได้เต็มที่คนเราเนี่ยยิ่งเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้งเท่าไรการที่จะคิดพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจก็ยิ่งต้องการจิตที่แน่วแน่เท่านั้นถ้าเรื่องไม่ละเอียดอ่อนไม่ลึกซึ้งเราก็ไม่ต้องใช้ปัญญามากแม้แต่การทำงานทำการหรือฟังครูอาจารย์สอนบรรยายถ้าเราไม่มีสมาธิบ้างเลยก็ไม่รู้เรื่อง ปัญญาไม่เกิดเพราะฉะนั้นปัญญาจะทำงานได้ต้องอาศัยจิตที่เป็นสมาธิบ้างมากน้อยบ้างตามแต่เรื่องนั้นจะละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนตกลงว่าสิ่งที่ต้องการในพระพุทธศาสนาอยู่ในข้อที่3นี้คือการมีสมาธิที่ทำให้จิตพร้อมที่จะใช้งานและงานที่สําคัญที่ต้องใช้คือปัญญาที่จะรู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย จนกระทั่งเข้าถึงความจริงของธรรมชาติรู้เข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรรู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงนี่เป็นสิ่งที่ต้องการถ้าไม่รู้ถึงขั้นนี้แล้วกิเลสไม่หมดฉะนั้นจึงต้องให้เชื่อมต่อระหว่างสมาธิกับปัญญาตอนนี้ที่พูดมาก็เพื่อให้เห็นว่าเรื่องสมาธิเนี่ยต้องระวังเหมือนกัน ถ้าไม่เข้าใจหลักการของพระพุทธศาสนาให้ชัดก็อาจจะเคว้ได้เพราะคุณประโยชน์3ประการนี้มีช่องทางการใช้ต่างกันออกไปตอนนี้ขอสรุปขั้นหนึ่งก่อนว่าคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของสมาธิที่สำคัญ3ประการคือ 1. สมาธิทําให้จิตแน่วแน่เกิดพลังซึ่งอาจจะนำไปใช้ในเรื่องของฤทธิ์เรื่องของปาฏิหารเป็นพลังจิต สสมาธิทำให้จิตใสทำให้มองอะไรชัดเจนเกื้อกูลต่อการใช้ปัญญา 3. สมาธิทำให้จิตสงบทำให้เกิดความสุขเวลานี้สังคมมีปัญหาทางจิตใจมากเพราะพิษภัยของวัตถุนิยมคนจึงไปหวังประโยชน์ข้อที่สจากสมาธิมากซึ่งยังไม่ใช่จุดหมายของพระพุทธศาสนา ขอให้จำหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าถ้าปฏิบัติทรรอะไรแล้วทำให้เกิดความประมาทก็ผิดถ้าปฏิบัติทรรอะไรแล้วไม่ส่งผลให้ก้าวต่อไปในระบบแห่งกระบวนการของไตรสิกขาไม่เคลื่อนสู่จุดหมายก็ผิดต้องระวังให้ดี ผลพลอยได้ก่อนที่จะย้อนกลับมาพูดเรื่องสมาธิในแง่ที่เป็นจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาจะพูดถึงผลพลอยได้พิเศษบางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ในยุคปัจจุบันแต่เป็นประโยชน์ข้างเคียงซึ่งจะเอามาเป็นจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาไม่ได้จิตที่เป็นสมาธินั้นเป็นจิตที่อยู่ตัวลงตัวเรียกว่าจิตเข้าที่ ต่างกับจิตของเราตามปกติที่วุ่นวายฟุง้งซ่านเดี๋ยวคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้ท่านว่าเหมือนกับลิงลิงเนี่ยอยู่กับที่ไม่ได้มันอยู่ไม่สุขกระโดดจะ ก, กิ่งไม้นี้ไปกิ่งไม้โน้นวิ่งไปกระโดดไปเรื่อยจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นออกจากเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นมีเรื่องราวมากมายและชอบไปจับเอาเรื่องที่ไม่ควรคิดมาคิด เรื่องที่ผ่านไปแล้วที่กระทบกระเทือนใจก็เอามาคิดเอามาปรุงแต่งอวนละห้อยโกรธงอนเรื่องที่ยังไม่มาก็ไปวิตกกังวลจิตก็ไม่สบายพอจิตไม่สบายจิตไม่อยู่ตัวทุกทางใจก็เกิดขึ้นแต่จิตใจเนี่ยทำงานสัมพันธ์กับร่างกายเราต้องระวังนึกถึงหลักนี้เสมอชีวิตของเรานี่ประกอบด้วยกายกับใจ ใจกับกายนี้ทํางานประสานกันสัมพันธ์กันส่งผลกระทบต่อกันถ้าจิตไม่ปกติจิตไม่ลงตัวกายก็มีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นการทํางานของร่างกายก็ไม่เข้าที่ด้วยเช่นเกิดอารมณ์ขึ้นมามีความโกรธพอจิตโกรธกายเป็นอย่างไรหัวใจก็เต้นแรงหายใจดังยิ่งโกรธมากยิ่งหายใจแรง หายใจดังฟืดฟาดยังกับคนขึ้นเขาพอมีอารมณ์กลัวก็น่าซีดบางทีหยุดกลั้นหายใจเลือดลมเดินไม่ปกติร่างกายเปลี่ยหมดทำให้เกิดปัญหาทางร่างกายถ้าเป็นบ่อยๆจิตจะเครียดอยู่ตลอดเวลาสภาพจิตกับกายตอนนี้เป็นรอยต่อสำคัญคือตอนเครียดถ้าจิตเครียดกายก็จะเครียดด้วยพอกายเครียด การทำงานของร่างกายก็จะวิปริตหมดสุขภาพก็เสียโรคภัยไข้เจ็บ ก, ก็ตามมาเพราะฉะนั้นผลปลอยได้ที่สำคัญก็คือพอเราทำสมาธิได้จิตทำงานดีลงตัวเรียบแล้วราบรื่นเข้าอยู่ในดุลยาภาพเมื่อจิตอยู่ในภาวะสมดุลปลอดโปรง่งการทำงานของร่างกายเช่นลมหายใจก็ปรับดีด้วยสม่าเสมอ ถ้าจิตเป็นสมาธิลึกขึ้นไปละเอียดขึ้นไปก็สงบมากพอสงบมากการใช้พลังงานก็น้อยลงการทำงานของจิตนี่อาศัยสมองสมองทำงานก็ต้องใช้เลือดเลี้ยงเลือดก็ต้องอาศัยออกซิเจนออกซิเจนก็อาศัยการหายใจเมื่อจิตเป็นสมาธิดีขึ้นใจสงบไม่หนักไม่เหนื่อย ก็ต้องการพลังงานน้อยลงการเผาผลาญของร่างกายก็น้อยลงความต้องการออกซิเจนก็น้อยลงการหายใจก็จะประนีดขึ้นหลักก็มีบอกไว้ว่าถ้าเข้าสมาธิถึงฌานที่สี่ไม่หายใจเลยหมายความว่าวัดด้วยมาตรฐานของคนปกติเรียกว่าไม่หายใจเอามือมาแตะรูจมูกจะไม่ปรากฏลมหายใจ เพราะลมหายใจประณีดมากต้องการออกซิเจนนิดเดียวออกซิเจนที่เข้าไปในร่างกายเล็กน้อยก็เลี้ยงร่างกายไปได้นานคนที่เข้าสมาธิลึกๆจิตสงบมากการหายใจก็ราบรื่นและต้องการพลังงานน้อยการเผาผลาญร่างกายน้อยก็มีผลต่อร่างกายทำให้สุขภาพดีเลือดลมเดินคล่องทำให้อายุยืนและสมาธินี้มาได้ในรูปต่าง เช่นเจริญโภมวิหารทำให้จิตใจชุ่มชื่นเย็นสบายทำให้หน้าตาอิ่มเอิบผ่องใสแก่ช้าเป็นต้นสภาพร่างกายกับจิตใจสัมพันธ์กันถ้าเราทำตรงข้ามกับที่กล่าวมานี้คือไม่มีสมาธิเช่นโกรธขึ้นมาปัญหาทางกายก็ตามมาทันทีเราต้องการพลังงานเผาผลาญมากก็ต้องหายใจแรงแรงหัวใจก็ต้องเต้นแรงปอดก็หายใจฟูดฟาดฟูดฟาด ใช้ลมมากเหมือนยังคนเดินขึ้นเขาซึ่งเหนื่อยมากถ้าโกรธอยู่เรื่อยทั้งใจและกายก็เสื่อมโทรมไว้พอได้หลักนี้ก็หมายความว่าสมาธิมีผลในด้านสุขภาพก็เลยเอาสมาธิมาใช้ในการรักษาโรคได้ด้วยอันนี้เป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งเวลานี้ก็ปรากฏว่าในเมืองอเมริกานี่เองมีการนำสมาธิมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค แม้แต่โรคที่แก้ไขไม่หายเช่น University of Massachusetts ที่ได้เปิดคลินิกด้านนี้ขึ้นมาตอนนี้ทางรัฐบาลอเมริกันก็ถึงกับยอมรับให้เมดิแคร์ให้เงินมาสำหรับการรักษาโรคโดยวิธีของการใช้สมาธิประสากนกันกับการบริหารร่างกายด้วยอาจารย์ที่ชำนาญในสมาธิก็ไปทำงานเป็นจริงเป็นจังมหาวิทยาลัยยอมรับกลายเป็นกิจการเป็นคลินิกในโรงพยาบาล หรืออย่างที่มหาวิทยาลัยหาร์วรดคุณหมอท่านหนึ่งเล่าว่าเขาเปิดการสอนสมาธิในการรักษาโรคอันนี้ก็เป็นเรื่องผลพลอยได้ที่จริงถ้าโยมดูแล้วทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นเรื่องเดียวกันคือพอจิตอยู่ตัวเป็นสมาธิแล้วก็ได้ดุลจิตก็ลงตัวของมันไม่มีอะไรมากวนลองนึกดูว่าจิตของคนที่ไม่มีอะไรมากวนจะสบายแค่ไหน เมื่อไม่มีอะไรมากวนสภาพจิตดีแล้วสภาพร่างกายก็ปรับเข้าหากันสอดคล้องกับจิตนั้นการทำงานของร่างกายก็ราบรื่นลงตัวดีอย่างที่ภาษาไทยโบราณเรียกว่าเลือดลมเดินดีทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีร่างกายก็ปกติไม่เครียดไม่มีตัวมากีดมากัน้นมาบีบมากดการทำงานของเลือดลมต่างๆก็เลยคล่องสุขภาพก็ดีจึงรักษาโรคได้ เอากันง่ายๆแม้แต่ในชีวิตประจําวันเวลาไหนเราเกิดใจไม่สบายเช่นโกรธขึ้นมาหรือกลัวขึ้นมาหรือประมาถ้าเรามีสตินึกได้ก็หายใจยาวๆเท่านั้นแหละจะดีขึ้นทันทีพอโกรธขึ้นมาก็หายใจยาวๆหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแบบสบายสบายยังมีสติความโกรธก็จะเบาบางลงและสภาพร่างกายที่ไม่สบายก็จะผ่อนคลายไปด้วย หรือมีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาทางอารมณ์ก็เอาวิธีนี้มาใช้ทันทีเป็นวิธีง่ายๆใช้แค่ลมหายใจที่มีอยู่แล้วการหายใจเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตเหมือนกายคนเดินขึ้นเขาพอเหนื่อยก็หายใจแรงแต่ถึงแม้ไม่ได้ไปขึ้นเขาสักหน่อยไม่ได้ใช้แรงกายสักหน่อยพอโกรธขึ้นมา ก็หายใจแรงอย่างกับคนเดินขึ้นเขาแสดงว่ากายกับจิตมันสัมพันธ์กันทีนี้เราย้อนกลับเอากายมาช่วยปรับจิตคือในเวลาที่สภาพจิตไม่ดีนั้นลมหายใจเราไม่ปกติเราก็ปรับลมหายใจของเราให้ดีปรับลมหายใจให้สม่ำเสมอสติก็มาเพราะเวลาเราหายใจอย่างนั้นเราต้องมีสติพอสติมาอย่างนี้สติ เป็นองค์ธรรมฝ่ายจิตกายกับจิตมาสัมพันธ์กันก็ปรับสภาพจิตอีกทำให้ความโกรธเบาลงจากนั้นก็มีปัญญาเริ่มมองเห็นอะไรๆพิจารณาได้แต่ถ้าโกรธเอาแต่อารมณ์ปล่อยอารมณ์ไปอย่างไม่มีสติจะทำอะไรก็ไม่รู้จักยับยัง้งก็พลาดเสียเลยฉะนั้นท่านจึงบอกว่าคนโกรธปัญญาดับมืดปัญญาหายไป คนกโกรธไม่รู้ดำไม่รู้แดงไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วคนโกรธฆ่าได้แม้กระทั่งแม่ของตัวเองซึ่งก็เป็นความจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดความโกรธขึ้นมาก็อาศัยวิธีง่ายๆตั้งใจหายใจให้ดีเพราะ menos, ตอนนั้นเราไม่รู้ตัวว่าเราแทบไม่ Kingdom, หายใจหรือ Kingdom. หายใจแรงเกินไปเราก็ปรับลมหายใจให้สบายๆหาย ใ, หใจยาวๆ เข้ายาวออกยาวอารมณ์ของเราก็จะบรรเทาเบาลงจิตก็จะสงบลงสติก็ดีขึ้นปัญญาก็จะมาคิดอะไรได้ชัดเจนขึ้นแม้แต่ในชีวิตประจำวันการนำสมาธิมาใช้ก็มีประโยชน์เอามาใช้ได้ทุกเรื่องทุกเวลาแม้แต่ถ้าไม่มีอะไรจะทำแม้แต่ไม่ได้เกิดอารมณ์โกรธไม่ได้เครียดนั่งอยู่เฉย จิตมันจะฟุ้งซ่านก็มาดูลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกสบายสบายอย่างมีสติให้จิตของเราอยู่กับลมหายใจแค่นี้ก็มีประโยชน์การทำสมาธิในชีวิตประจาวันมีประโยชน์มากมายแต่ประโยชน์นั้นมีหลายขั้นหลายตอนอย่างที่กล่าวมาแล้วประโยชน์ที่แท้จริงที่ตรงตามหลักการของพุทธศาสนา คือประโยชน์ในไตรสิกขาที่ว่าสมาธิเป็นตัวส่งผลต่อปัญญาโดยเป็นปัจจัยในกระบวนการปฏิบัติสู่จุดหมายหมายความว่าเมื่อสมาธิมาแล้วก็ทำให้จิตเป็นกรรมนีเหมาะแก่การใช้งานแล้วก็เอามาใช้งานทางปัญญาคือทำการพินิจพิจารณาจนเข้าถึงพระไตรลักษ์รู้ความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วจิตหลุดพ้น เป็นอิสระก็จะถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาอันนี้แหละเป็นตัวจริงที่ต้องการเวลานี้เมื่อคนมาพูดถึงเรื่องสมาธิกันเราจะต้องพิจารณาว่าเขากำลังพูดถึงสมาธิในความหมายคุณค่าหรือประโยชน์แง่ใดและถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่ขอย้ำว่า เวลานี้ในสังคมตะวันตกคนมักนึกถึงสมาธิในความหมายแบบที่ว่ามานี้คือมุ่งแค่จะเอามาแก้ปัญหาจิตใจที่เครียดที่มีความทุกข์เท่านั้นเองซึ่งถ้าไม่ระวังให้ดีก็จะกลายเป็นสิ่งกล่อมอย่างที่กล่าวมาและพอกล่อมแล้วก็กลับจะมีโทษแก่ชีวิตและสังคมได้ไม่ใช่สิ่งที่จะมีแต่ผลดี